ตอนนี้ไปก็ขอบันดาแต่บริษัททั้งหลายตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามตัดสินใจตามเสียงที่อาตมาจะพูดต่อไปจะขอแนะนําบรรดาแต่บริษัททักสิบนาทีเสร็จในช่วงสิบนาทีเสร็จ ท, ที่แนะนำในตัดคอยตัดสินใจไปเลยในระหว่างนี้ขอบรนดาแต่บริษัท ตัดชิ้นใจเตรียมตัวเจริญพระกรรมฐาน <c oughs> การเจริญพระกรรมฐานนั่นหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์สองจิตไม่คบมิวรหา้าบริการสามมีปัญญารู้เท่าตามความตามความเป็นจริงของขนันห้าถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาชมพูบ ร, ริษัทได้ดีทุกคน หากว่าท่านตัดสินใจตามนี้ไม่ได้วันนี้การปฏิบัติไม่มีผลถ้าตัดสินใจทรงใจได้วันนี้ความเป็นทิพ์จะแจ่มแจ้งมากเพราะการฝึกตอนกลาวันนี้เป็นการฝึกหมดในหมวดข้อปัญญาหกที่เรียกว่ามโนยิทธิหมายความว่าจะสามารถมีทิพย์กุญญาณได้ท่องเที่ยววันนี้พบต่างๆได้ตามชอบใจ สามารถจะรู้เวลาเราตายเราจะตายเมื่อไรเป็นโรคอะไรตายาตายแบบไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนสามารถรู้ได้แล้วก็สามารถระลึกชาติได้เป็นต้นรู้อดีตอนาคตปัจจุบันขอทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามตัดสินใจตามนี้คิดว่าอันดับแรกนี้เราจะไปโพ้สงสงศีลบริสุทธิ์ ในขณะที่ปฏิบัติอยู่จะทรงสินแปดทำบริสุทธิ์ครอบทนเมื่อกลับไปจากวัดนี้แล้วไปอยู่ที่บ้านจะทรงสินห้าหครอบทนไม่ยอมละเมิดสินห้าใดขาดตั้งใจตามนี้นะในรายการต่อไปเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจไม่เครือบแคลงสงสัยในความดีของท่าน ในกาลที่สามคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายยังไงไงก็ต้องตายตายแล้วสวรรค์มีจริงนรกมีจริงวันนี้จะรู้ที่พระพุทธเจา้าทรงเทศน์วันนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วมีสภาพใหม่โสนต้องเกิดใหม่นี่เป็นความจริงวันนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงถ้ามผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบเอาจริงเอาจังจะรู้จะเห็นในวันนี้ ถ้าสามารถจะรู้ว่าก่อนที่เราเกิดเรามาจากไหนเราจะตายครั้งนี้เราจะประโยชน์ที่ไหนถ้าที่มันไม่ดีเราจะสามารถบำเพ็ญบารมีเพิ่มให้ที่ดีขึ้นไม่ได้แล้วเราก็จะรู้เื่อการบําเพ็ญกุศลขนาดนี้เราตายจากความเป็นคนหรือจะเกิดที่ไหนสําหรับการปฏิบัติอันดับต่อไปขบรนดาแตงพุทธบริษัทตัดสินใจไม่คบมีวรทั้งห้รายการ คือนิวรณ์ห้ามโดยการได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีในใจของบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้การปฏิบัติไม่ได้ผลต้องดั ง, งับไม่ยอมนิวรณ์ห้ามโดยการเข้าว่าเข้ามายุ่งกับจิตของตนในวันนี้จะเพราะเวลาที่ปฏิบัติถ้าสามารถควบคุมและตลอดวันจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา นิวรณ์ที่เราจะไม่นึกถึงมันห้าราการก็คือหนึ่งเวลานี้ต้องไม่นึกถึงความรักในระหว่างเพศวางทิ้งเจ้าสู้คราวในขณะที่เราเจริญสมาธิสองอารมณ์ไม่พอใจไม่มีในใจเราเวลานี้สามไม่ปล่อยให้ความง่วงครอกงสี่จิตไม่โฟกัส น, นอกรีดนอกรอย เขาคู่สั่งแบบไหนทำแบบนั้นภวรณาแบบไห น, นทรงจิตแบบนั้นขรนุดรู้ลงไว้ใจแบบไห น, นทรงแบบนั้นไม่ยอมไม่เคลื่อนแล้วห้าไม่สงสัยไม่สงสัยในความรู้สึกของการปฏิบัติหลังจากนั้นบรรดาธรรมบริษัทคิดตามนี้คิดว่าขึ้นที่ว่า ก, การเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ ความหิวเรามีทุกวันเราทุกข์เพราะความหิวการปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สมบายก็เป็นทุกข์การทามาให้กินประกอบกิจการงานเหน็ดเหนื่อยก็เป็นทุกข์ความแก่เข้ามาครอบงมก็เป็นทุกข์ความตาตนณหาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การพัดพร่จากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความตายยัเข้ามาถึงเราทุกขเวทนา ม, มากกว่าทุกขทรัพย์สินทั้งหลายที่เราหามันได้เป็นความเหนื่อยยากตายแล้วเราไม่มีสิทธิ์คนอื่นก็ปกครองต่อไปฉะนดั้งจริงคิดว่าขึ้นชืน่อว่ามุสล์โลกโลกนี้เราจะไม่กลับมาเกิดใหม่ ถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไรเขาไปนิพพา น, นทันทีเราไม่ยอมเกิดเป็นเทวดาหล้วผมเพราะเทวดาก็ดีพมก็ดีมีความสุขก็ยังแหละแต่ถ้าว่าเราไม่สามารถจะทรงความสุขอยู่ได้นานเพราะว่าบรรดาแต่พุทธวิสัททุกท่านที่มานั่งที่นี่ต่างคนต่างเกิดเป็นเทวดาหร้วผมกันมาแล้วนับชาติไปทน ถ้ามีความสงสัยเวลาไปได้ให้ครูภารึชาติว่าเราเคยเกิดเกิดเป็นเทวดามาแล้วกี่ชาติเคยเกิดเป็นพมเป็นเป็นพรมมาแล้วกี่ชาติเอาเห็นภาพในการเกิดเป็นเทวดาและพรมมากมายแต่เราไม่สามารถทจะอยู่ได้ตลอดการตลอดสมัยเพราะหมดบุญบุสนามบารมีก็ต้องล่งลงมาใหม่ เมื่อพระพระเกเทวดาไม่ทรงตัวดีตลอดการแบบนี้เราไม่ต้องการเกิดเป็นเทวดาหรือพรมต่อไปเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นขบัรดาแต่พุทธบริษัททันหลายให้ตั้งสติสมัญิญา้สมบูรณ์กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกถ้าตัดสินใจตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ได้ทุกคนวันนี้ได้ดีทุกคน ถ้าการทรงกำลังใจได้ไม่เหมือนเมื่อกี้นี้มันก็ไม่ได้ถ้าได้ก็ไม่แจม่มใสอย่างนี้จะไปถามกันไม่เกิดประโยชน์มันอยู่ที่ตัวขรนดาแทพพุทธบริษัทเองถ้าเราทำดีตัดสินใจดีตามนี้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้ผลที่ได้ก็ดีก็มีความจม่มไสไม่การคล่องตัวถ้าทำท้าอึดอาดอาอา ด, อดไม่กล้าตัดสินใจอย่างนี้ไม่ได้จะไปถามใครเขา ให้ถือว่าเป็นความเลวของเราเขาทำไมทำดีได้เราทำไมทำดีไม่ได้ต้องบรร nam นนตัวเองว่าเจ้าจงยาเลวตามนั้นการภาวนาบรรดาธทรมปุถุสัจให้ใช้คำาวนาวันนะมะพะทะคือเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกเทวาพาทะ เวลาพอห้ใจเข้าหาใจออกนี่บรรดาแต่พุทธบริษัทอย่าให้บังคับให้ลมหายใจแรงจะได้รู้อันนี้ไม่ถูกต้องต้องปล่อยไปตามสภาพของร่างกายร่างกายจะให้ใจแรงหรือเบาก็ตามทีเป็นเรื่องของร่างกายเราเอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าออกและจิตได้เป็นสมาธิ ให้ใจเข้าเราก็รู้นึกตามบนามาันละมะให้ใจออกเราก็รู้นึกตามมาพาทะแค่นี้พอเวลาที่ภาวนาอยู่รู้ลมให้ใจเขาออกอยู่เมื่อรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีตอนนั้นเรีวจิตมีสมาธิแต่การที่กําหนดรู้ในบรรดาเทาพุทธบริษัทมาจะเผยได้บ้างเป็นของธรรมดา อาจจะนึกโน่นนึกนี่ลึกไปนอกโลกนอกทางบ้างแต่พยายามจะไม่ยอมนึกถึงถ้ามาเอิญมันเผลอจริงๆถ้ารู้สึกตัวกึ้นมาก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้าออกใหม่เอาจิตที่รับทราบลมหายใจก็ออกหายใจเขาออ้เขานึกวันนะมา ใ, ใจออกเหนือผาทากในขั้นหนะที่เราละภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจออกก็ดี ตอนนี้ขอทุกท่านจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าไปอยากรู้อยากเห็นในเวลานั้นวันนี้การปฏิบัติไม่มีผลเพราะจิตฟุ้งซ่านเพราะว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ก็ดีต้องการให้จิตสะอาดจากกิเลสเมื่อจิตมีการทรงตัวมีสมาธิ กิเลสก็เข้าลบโกนใจไม่ได้ปัญญาทําเป็นเครื่องทําลายกิเลสก็เกิดขึ้น <c oughs> ในเวลาภาวนาจงหยายอย่างรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดหลังจากนั้นแล้วมาภาวนาทรงตัวครูเขาใ้ท่านบรรดาทรามพุทธบริษัททุกคนภาวนาถึงสิบนาทีหลังจากคาสอนเสร็จไปแล้วนะเมื่อจบจากคำสอน เขาจะภาวนาสิบนาทีให้ภาวนาสิบนา ท, ทีหลังจากนั้นจะมีครูเข้าไปสอนนับตั้งแต่ครูเริ่มเข้าไปสอนจนกว่าจะเลิกจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงฉะนั้นขอทุกคนให้รบรัดเวลาอย่ายื่ดยัดเมื่อเวลาครูเข้าไปสอนบรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าปรากฏว่าครูเข้าไปนั่ง ข, งข้างๆแล้วนั่งทำงนาน ให้ทุกคนเลิกภาวนาทันทีเวลานั้นแล้วก็ปล่อยไม่จำใจต้องรับรู้ลมหายใจเขาออกลอยใจตามสบายฟังคำแนะนำาขาครูพูสอนครูพูสอนจะตัดจะแนะนำในการตักกิเลสียดต้องน้อมไปตามคำแนะนำครูพูดสอนถ้าบาังเอิญหลายคนดีกัน ถ้าครูสอนตรงหน้าใครก็ตามคนในวงนั้นทั้งหมดถือว่าสอนเราด้วยอย่าไปคิดว่าเขาไว้พูดกับเราเราไม่ทําตามอย่างนี้ก็โง่มากเกินไปวันนี้ไม่มีคนที่โง่แบบนั้นเขาจะไปนั่งไล่เบียดทุกคนไม่ได้เวลามันจํากัดคําพูดที่พูดไปทุกคําถือว่าทุกคนเขาสอนเราทุกคนเราต้องคิดตามน้อมตามทุกคน ถ้าเวลาเขถามบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ถือว่าถามทุกคนให้ตอบพร้อมกันต้องปฏิบัติตามนี้นะอย่าทําเป็นเด็กโง่เพราะเด็กเล็กๆนะมีความฉลาดมากจยเด็กทางเรียนเขาจะตอบไดพ้พร้อมๆกันถ้ามันดาหย่าโยมพุทธบริษัทเป็นปูย่ย่าตายายของเด็กก็อย่าปล่อยให้เด็กนําหน้า เรามีเอาโส ก, กว่าใน้ไปการที่สองเราจะลาดกว่าเป็นอยู่ปู่ปยา่าตายายเขาถ้าเป็นพี่ป้าเนอ่ยเราสอนเด็กมาแล้วอย่าปล่อยให้เด็กนำหน้าเราต้องนำหน้าเด็กถ้าครูก็แนะนำไปให้จิตว่างจากิเลสมีความสะอาดพอเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างให้ต่อตามความรู้สึก อมมกอคำว่าทิพยา น, นี่แปลว่ามีความรู้สึกทางจิตคิดคล้ายตาทิพย์ไม่เห็าตาเห็นจิตเห็นถ้าได้ทิญยานอย่างหยาบมีความรู้สึกอย่างเดียวแต่จิตไม่เห็นถ้าได้ทิญยานอย่างกลางมีความรู้สึกจิตเห็นภาพจะมาชัดเนจนอยาบใสเห็นทังจิตนะ ถ้าได้คิดปุ ญ, ญาณอย่างละเอียดจิตเห็นจิตเนี่ยมีความรู้สึกเขาก็จิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากนี่การจะชัดเจนแจ่มใสเพีงยงใดก็อยู่ที่กํลาลังใจเขาบรรดาเทพพุทธบริษัทที่สอนมาแล้วให้ตัดสินใจไม่ต้องการมนุสสะโลกเทวโลกหรรมาโลกมีสินบระโยชน์ที่วอนไม่รบกวนอย่างนี้ถ้าทําได้แบบนี้แจ่มใสทุกคนที่ไม่แจ่มใสเขาไม่ตัดสินใจตามนั้น ถ้าก็ถามไม่ตอบท้งถามว่ามีความรู้สึกว่ามีท่านบนใดอยู่ขณาบางถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายังตัวให้เชื่อความรู้สึกว่าถูกต้องถ้าถามว่าท่านบนนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายให้ตอบตามความรู้สึกของตัวเขาเห็นดูชายเขาเรามีความรู้สึกผูหญิงก็ต้องตอบตามความรู้สึกของเราจะตามเขา ท่าก็ถามว่าท่านคนนั้นม hmm. ah ีสีสันรรณะ่าไปยังไงก็ตอบตามความรู้สึกของเราให้ตอบทันทีทันใดให้มีความมั่นใจว่าความรู้สึกครั้งแรกถูกต้องแล้วก็เป็นความจริงตามนั้นความรู้นี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์ไม่มีคาถาคมใดๆเข้าช่วยท่านจะได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของบรรดาทรรมพูทธบริษัทปฏิบัติตนเอง ตาห น, นี้ข่าว เ, าเล่าเลยว่าต้องใช้เสายสายเขาช่วยนั่นมันเป็นความโง่ขงเขาบุนคคลที่พูดคนลงใดท่าลงเลวก็เลวไปตามนั้นคิดว่าคนอื่นเขาเลวตามฉะนั้นขอบรรดาเทพุทธบริษัทจงจะเลวไปตามเขาถ้าใช้เสายสายเขาช่วยทุกคนจะรู้เห็นเหมือนกันหมดอันนี้รู้เห็นเหมือนกเหมือนกันหมดไม่ได้เพราะว่าต้องแช้กาลังใจขอบันดาเาพุูธบริษัท ถ้าบุคคลใดจิตสะอาดมากคนนี้เห็นชัดเห็นจริงมากถ้าคนใดจิตสะอาดน้อยเห็นชัดเห็นจริงน้อยในตอนต้นผู้จะนําท่านไปพระจุลามุนีเจดียสถานแล้วไปบรรดุกำโพรสิระอาจหลังนั้นภาปณิพานธําหรับผู้ใหม่ญาติผู้เก่าเมื่อสมาทานเสร็จ ต, ตั้งใจกับพระพรูปโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแจําไส ยกใจไปรอครูที่นิพพานเมื่ถ้าทํทำอย่างนั้นทุกคนจะมีการเข้างตัวตุสการทั้งพวัเวลานี้เวลาก็หมดแล้วเขามรดาสาวกของคสมเด็จประพทธีแก้วเริ่มภาวนาได้จงจะหรือว่าหลังจากเมื่อครูเข้าไปสอนแล้วนั่งปุ๊บผู้ควบคุมจะตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงพอถึงชั่วโมงเขาจะสั่งเลิกทันทีเขาได้โปรดตัดสินใจได้รวดเร็วอย่ายืดยาจะไม่ทันเวลา ตอนนี้ไปเริ่มปฏิบัติได้ให้ใจเข้านึกว่าน้ำมาใจออกกว่าท้าเริ่มได้แล้ว